ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดีนายกสภามหาวิทยาลัยและขอโอกาสท่านพระเถรานุเถระผู้บริหารขนาดจาย์รรจนาี่ทุกรูขออนุโมทนาและแสดงความยินดี ต่อบัณฑิตใหม่ทุกระดับฝ่ายบรรพชิตทุกท่านขอเจริญพรท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายคฤหัสถ์แขกผู้มีเกียรติทุกท่านและขอแสดงความยิน ด, ดีต่อนิสิต ต่อ บ, บัณฑิตใหม่ทุกระดับในฝ่ายครุหัตทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งความสำเร็จในชีวิตของบัณฑิตใหม่ทุกระดับมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลาย ด้วยการจัดงานประสาทปริญญาเพื่อให้เป็นการปลุกเสกตนเองของท่านทั้งหลายเวลาเราสร้างพุทธรูปเราก็มีพิธีพุทธาพิเศษมีพิธีเบิกเนตร บางคนตั้งคำถามก็พระพุทธรูปแทนพระพุทธเจ้าและทำไมจะต้องมาปลุกเสกทำไมจะต้องมาเบิกเนตรกันคำตอบพระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุจากช่าง และช่างก็สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงทำให้งดงามได้อยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อได้ทำพิธีเบิกเนตรหรือพุทธาพิเศษแล้ว ตอนนั้นจะไปขีดไปข่วนพุทธรูปก็จะเหมือนกับไม่เคารพพระพุทธเจ้าแต่ถ้ายังไม่ยุติก็แก้ไขได้เรื่อยๆจนกระทั่งมีพิธีอภิเศกพุทธาภิเศก ค, ครูบาอาจารย์ทำหน้าที่เหมือนช่างในการ ปรับแต่งบันดิตทุกระดับเราว่ากล่าวตักเตือนท่านเราให้คำชี้แนะแก่ท่านจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาวันที่ได้รับปริญญาคือพ้นจากความเป็นลูกศิษย์ในแง่ที่จะต้อง ว่ากล่าวสั่งสอนอบรมยังเหลือแต่เยื่อใยสัมพันธ์ในใจที่จะต้องดูแลกันตลอดไปแต่ในฐานะเป็นเงื่อนไขที่จะว่ากล่าวสั่งสอนก็ลดลงนับแต่วรับปริญญาท่านก็เหมือนนกที่โบยบินไปจากรัง ไปสร้างอนาคตของท่านอนาคตไม่ใช่เส้นทางที่จะเดินไปอนาคตคือสิ่งที่ท่านต้องสร้างสร้างอนาคตกับเดินไปสู่อนาคตไม่เหมือนกันเดินไปสู่อนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะไปไหน แต่สร้างอนาคตอยู่ในกำมือของเราเหมือนที่ประเทศไทยตอนนี้พูดถึงอนาคตอนาค ต, าคตประเทศไทยที่เรียกกันว่า 4.0 เป็นภาพอนาคตที่อยากไปหรือว่าอยากสร้าง ถ้าเป็นภาพที่อยากไปก็แล้วแต่ว่าพาหนะมันจะพาเราไปเรานั่งเรือนั่งรถแล้วแต่มันจะพาไปไหนถ้ามันพาไป 4.0 ก็โอเคถ้ามันถอยกลับไป 2.0 ก็โอเคก็ใช้ได้อย่างนั้นหรือ เขาเรียกว่าแล้วแต่กระแสน้ำจะพาเรือเราไปเรือที่คนไทยทั้งประเทศนั่งอยู่จะพาไปสู่ <c oughs> เป้าหมายคือประเทศไทย 4.0 เราต้องการหรือเปล่าและเรามีส่วนช่วยกันพายหรือไม่ นั่นคือประเด็นถ้าเราไม่มีส่วนช่วยกันพายไม่มีส่วนช่วยกันสร้างและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอนาคตที่อยู่ข้างหน้ามันใช่พระผู้เทวเจ้าไม่ได้รอให้เรานอนรองอมืองอเท้ารอโชคชะตา อัตโธอัตตะนักขัดตังประโยชน์เป็นเริก ง, งามยามดีอยู่ในตัวเก่งกริษสันติตารกาดวงดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้นักขัดตังปฏิมาเนนตังอัตโธภาลังอุปจักา ประโยชน์ล่วงเลยคนโง่ที่มองมัวแต่รอเลิกยามอยู่ฉะนั้นถ้าคนไทยนอนรอให้ประเทศไทยสี่จุดศูนมันเกิดขึ้นมันก็ไม่ต่างจากคนที่ไม่รู้อีโนอีเนรอให้ ดวงดาวมันจัดการท่านรู้ไหม 4.0 มันคือภาพอนาคตไม่ใช่ปัจจุบันเขาฝันแล้วฝันจะไปให้ถึงนะ่มันเกิดขึ้นเองหรือว่ามันยังไง น่าเป็นห่วงคนไทยที่แล้วแต่ว่าเขาจะเสนออะไรให้ก็เห่อตามๆกันสมัยหนึ่งเขาเสนอภาพประเทศไทยจะเป็นนิกส์เราก็ฝันนิวลี่อินเทอร์ไลท์แคนทร ประเทศไทยจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่จะเป็นเสือตัวที่ห้าจะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วได้เป็นไหมล่ะมาวันนี้เขาขายฝันประเทศไทย 4.0 มันก็เดินตามรอยนิกซะแหละ แต่เรียกใหม่ตัดติดยี่ห้อใหม่แต่มันเป็นฝันที่จะต้องสร้างมันเป็นทางที่เราจะต้องเดินไม่ใช่นอนให้เขาหามไปเพราะอะไรเพราะการฝันครั้งนี้มาจากธนาคารโลก World Bank ธนาคารโลกได้ประกาศในปี 2,554 6ปีที่แล้วยกระดับประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper Middle Income Countries) พ้นจากระดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับล่าง6ปีมาแล้ว และถ้าเราพัฒนาต่อเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเหมือนสหรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นตอนนี้เราอยู่ในระดับเดียวกับจีนมาเลเซียรัเสเซียเราพ้นมาจากกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่ซึ่งกว่าจะพ้นจากกลุ่มที่สามมากลุ่มที่สอง ใช้เวลาเกือบเจ็ดสิบปีตลอดราชการที่เกาหนึ่งชั่วอายุคนแล้วเราฝันว่าเราจะเป็นกลุ่มที่หนึ่งภายในส5บห้าปยี่สิบปีเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถ้าคนไทยไม่ช่วยกันถ้าพระไม่ตื่นตัวหลับหลับตื่นตื่นจำวัด สวดมนต์ฉันเพนไม่มีทางกว่าจะพ้นข้อที่สมาข้อที่สอง7 0เจสปีและกว่าจะพ้นจากกลุ่มที่สองไปกลุ่มที่หนึ่งอีกกี่10ปีแต่วิสัยทัศน์ประเทศไทยโดยรัฐบาลปัจจุบันจะปฏิรูปประเทศใน20ปีข้างหน้าหรือ15ปีข้างหน้าตอนนี้เหลือ15แล้วมั้ง ให้ไปถึงความเป็นประเทศมีรายได้สูงคือประเทศพัฒนาแล้วให้ได้โดยพัฒนาประเทศในระบบที่เรียกกันว่าไท a แล a ด d 4ฟประเทศไทย 4.0 คือจะต้องพัฒนาประเทศในระบบ 4.0 เราถึงจะไปถึงเป้าหมาย แสดงว่าเป้าหมายเราจะต้องสร้างเราจะต้องทำการแบ่งไทยแลนด์ 4.0 เป็นเรื่องอัตโนมัติคือเราทำประเทศเดียวประเทศอื่นเขาไม่ได้มาแบ่งกับเราโดยเราแบ่งพัฒนาประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา เป็นสมระดับระดับที่หนึ่งประเทศไทยหนึ่งศในยุคที่ประเทศไทยพึ่งพารายได้จากเกษตรกรรมทำนาทำไร่ก็คง 40-50 บหปีย้อนไปแล้เนี่ยจนมาถึง 20-30 ปีที่ผ่านมารายได้มาจากการทำนาทำไร่ส่งออก ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินี่ยุคแรกเลยยุคที่สองประเทศไทย 2.0 พึ่งพากเกเษตรบวกอุตสาหกรรมแทนที่จะปลูกสับประรดเราทำสับประรดกระป๋องเราเริ่มมีโรงงานทอเสื้อผ้าเป็นอุตสาหกรรมเบา เรามีโรงงานทำรองเท้าส่งออกต่อมามาถึงยุคปัจจุบันประเทศไทย 3.0 ศเราเชื้อเชิญต่างชาติมาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมาลงทุนมาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ผลิตของใหญ่ๆเช่นรถยนต์ส่งออกไปทั่วโลกมีระบบการท่องเที่ยวที่มีโรงแรมชื่อภาษาต่างประเทศเพียบมีเครื่องบินนับนักท่องเที่ยวมาปีละยี่สิบสามสิบล้านคน มีระบบที่เรียกกันว่าย้ายฐานจากเกษตรทำนาทำไร่ทำยางพาราขายเนี่ยสู้สร้างโรงงานขายเอาเงินเข้าประเทศไม่ได้เราจึงแบ่งคนในประเทศออกเป็นสามส่วนชาวนาชาวไร่หนึ่งส่วน นักธุรกิจนักในโรงงานอุตสาหกรรมอีกส่วนนักบริการท่องเที่ยวโรงแรมแพทย์พยาบาลให้คนทั่วโลกมารักษาที่เราอีกส่วนหนึ่งสามส่วนนี้เป็นรายได้เข้าประเทศไทยในปัจจุบันทาให้เรามีกินมีใช้ ในปัจจุบันขึ้นมาในระดับประเทศมีรายได้ปานกลางระดับสูสงแต่เราไม่สามารถจะไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานอะไรได้สูงเพราะเราจเจริญเติบโตด้วยระบบที่ว่านั้นเนี่ยมาเรื่อยๆเรยศรษฐกิจโตปีละเจแเมา จน 2,536-3,7 หาหลังจากนั้นดัชนีความเติบโตมันตกลงมาเห็นไหมในปีส9 4 0สี่เหลือส4ี่เอร์เซ GDP แล้วก็ดิ่งเหวติดลบเมื่อข้าเงินบาทลอยตัวโลกต้มยำกุ้งจากนั้นเราก็ เงยขึ้นมาหน่อยหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจก็โตแค่สามสี่เปอร์เซ็นตแม้กระทั่งปีนี้ก็สามเปอร์เซมันไม่สามารถกลับไปเจ็ดปดเปอร์ซได้อีกถ้าเราโตอย่างนี้ไม่มีทางที่จะไปเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงชาตินี้เราในชีวิตเราไม่ทันเห็น เพราะมันโค้งลงอนาคตของประเทศไทยก็เลยมืดมนเขาเรียกว่าติดกับประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงมันมีเหวมีหลุมขวาหน้ำเส้นทางมันว้าเวเหมือนกับถนนเส้นนี้วิ่งมาเร็วๆเร็วๆเบรก ก็กระทำหันประเทศไทยไม่สามารถจะข้ามไปยังกลุ่มที่หนึ่งฉะนั้นจึงต้องคิดเรื่องมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่กลุ่มที่หนึ่งรายได้สูงด้วยมาตรการที่เรียกกันว่า ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจ 4.0 สรุปให้เราต่างจาก 3.0 3.0 มฟอเลสที่เรากำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้ทำงานหนักมากแต่ได้เงินน้อย เราจะต้องไป 4.0 for โ o r มทำงานน้อยแต่ได้เงินมากทำไมทุกวันนี้เราทำงานมากแต่ได้เงินน้อยก็เพราะว่าเราอยู่ในภาคอุตสาหกรรมผลิตสินค้าขายมันก็น่าจะรวยนะ แต่ขอโทษโรงงานใหญ่ๆนี่ใครเป็นเจ้าของใครเป็นนายทุนเงินเจ้าของเงินมาจากต่างประเทศมาสร้างโรงงานสร้างรถยนต์แต่มียี่ห้อรถยนต์ประเทศไทยไหมภาษาไทยไหมมาผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์ ประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โทรทัศน์ชื่อแต่ภาษาต่างประเทศขายได้เจ้าของเขาเอาเงินไปหมดพวกเราได้แต่ค่าแรงเงินเดือนแล้วชาติไหนมันจะรวย้ยหนักและเหนื่อยแต่ได้เงินน้อยมีไหม ที่โทรทัศน์ยี่ห้อไทยอะส่งไปทั่วโลกได้เดี๋ยวนี้ใครรู้จักโทรทัศน์ทานินบ้างละ่ะมันมีแต่โซนี่ซัมซุงเนเจ้าของเป็นของต่างประเทศเราเป็นมือปืนรับจ้างโรงแรม ใหญ่ๆชื่อต่างประเทศหมดธนาคารชื่อไทยแต่ทุนต่างประเทศซื้อทุนหมดแล้วเหลือธนาคารไทยจริงๆไม่กี่ธนาคารรู้แล้วจะหนาวฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสภาพนี้ 3.0 ไม่มีทางเงยหน้าอ้าปากไปเป็นกลุ่มที่หนึ่งเราจึงจะต้องดำเนินยุทธศาสตร์ทางเศษเรษฐกิจเป็น 4.0 ทําทำงานน้อยแต่ได้สตังค์มากสมัยก่อนคนจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกต้องเป็นเจ้าของบริษัทน้ำมัน ต้องเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเหล็กกล้าในอเมริกาไม่ว่าจะชานชวอปส์ล็อกกี้เฟลเลอร์แต่ตอนนี้ไม่มีใครรู้จักเขาแล้วคนที่รวยที่สุดในโลกอยู่อเมริกาเป็นมหาเศรษฐีติดต่อกันกว่าสิบปีทำงานเบา ของก็เกือบจะจับต้องไม่ได้มันอยู่ในหัวนายบิลเกตเป็นมหาเศรษฐีของโลกทำอะไรคอมพิวเตอร์ไม่ได้ทำฮาร์ดแวร์ด้วยไม่ใช่ทำของหนักไม่ได้ทำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ทำซอฟ์แวร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียกว่าไมโครซอฟ เรียกว่าวินโด้รวยไม่รู้เรื่องเพราะสมองถ้าเรามีสมองคิดเรื่องใหม่ๆคิดใหม่ผลิตสินค้าใหม่เราเรียกว่าอินโนเวชันนวัตกรรมมีนวัตกรรมออกมาเราเป็นเจ้าของกิจการ ลงทุนเองอินเทอร์พิเนอร์แล้วขยายไปเรื่อยๆทั่วโลกนั่นแหละไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลจึงเรียกร้องให้เรามีนวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการเองอินเทอร์พิเนอร์อย่าไปยืมจมูกก็ดื่นหายใจเรียกว่าโครงการประชารัฐ โครงการประชารัฐส่งเสริมให้คนไทยลิเริ่มเรียนจบมหาวิทยาลัยจากมหาจุฬาไปถ้าท่านมีนวัตกรรมไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครเขาส่งเสริมเราเรียกว่าสตาร์ทอัพหาทุนกันมาและประกอบกิจการ ไม่ใช่เฉพาะในการผลิตสินค้ารวมถึงบริการด้วยบริการไม่ใช่แต่โรงแรมบริการในเรื่องอื่นโซวิสทั้งหลายมีนวัตกรรมแล้วประเทศไทยจะไปโลดตัวท่านเองก็จะเจริญสตาร์ทอัพเริ่มใหม่เริ่มใหม่นั้นให้ดู คำว่าประดิษฐกรรมคือผลิตสิ่งใหม่เขาไม่ต้องให้ท่านเป็นนักประดิษฐ์แต่ขอให้ท่านเป็น i n n o v a วเตอ ร, ร์นักนวัตกรรมนักนวัตกรรมก็คือปรับปรุงสิ่งที่เขาประดิษฐ์มาแล้วหรือหาวิธีการบริการหรือใช้สิ่งประดิษฐ์นั้นให้มันดีขึ้นแก้ปัญหาได้ Innovation คือการปรับปรุงนวัตรกรรมคือการปรับปรุงสิ่งที่เขาประดิษฐ์มาแล้วโทรศัพท์คนอื่นก็ประดิษฐ์ไว้แล้วกล้องถ่ายภาพก็มีคนทำไว้คอมพิวเตอร์ก็มีแล้วอินเทอร์เน็ตก็มีแล้วเครื่องบันทึกสเสียงก็มีแล้วแต่คนที่เป็นทำนวัตรกรรมชื่อสตีฟจ็อบส์เอามาทำเป็น iPad iPhone ขายรวยไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปประดิษฐ์สิ่งใหม่ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันดีกว่าเขาท่านก็ได้แล้วนวัตกรรมมีสี่ประเภทหนึ่งหาสิ่งประดิษฐ์ที่เขาทำไว้แล้วมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นเช่นเรื่อง iPhone, iPad ตำราที่คนอื่นเขาแปลไว้แล้วเรามาแปลใหม่ให้มันทันสมัยให้มันดีขึ้นตำราที่เขาแต่งไว้แล้วเราแต่งให้มันอ่านง่ายให้มันดีกว่าเราก็ขายดิบขายดีมหาจุฬามีนวัตรกรรมออกมาใหม่คือ CBT พระไตรปิฎกฉบับสากลไม่เคยมี ที่ไหนทำได้ในโลกใช้เวลาเจ็ดปีนี่คือนวัตกรรมเราเป็นชาวมหาจุฬาจมภูมิใจและต้องอ่านและต้องช่วยกันสอนพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษเทราวาตมหายานวัชิรยานพิมพ์โดยมหาจุฬาอาธิการบดีเป็นชีฟเอเดเตอร์เป็นประธานบรรณาธิการและเราไม่ถือโอกาสนี้มาประกาศมาใช้ ใครจะใช้ไม่พิมพ์เผยแพร่แล้วเราจะได้อะไรนี่คือนวัตกรรมด้านการบริการด้านการบริการคือผลิตมาแล้วทำยังไงจะไปถึงมือผู้ซื้อพิมพ์หนังสือขายต้องใช้สายส่งมันช้าไปแล้ว หนังสือกว่าจะพิมพ์มันแล้วมีคนซื้อเนี่ยหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้มีใครซื้อบ้างเขาอ่านจากอินเทอร์เน็ตเมื่ออ่านจากอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์ก็เป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีโฆษณาสินค้าอยู่ในนั้นเราไปขอให้ทีวีโฆษณามหาจุฬาเขาบอกเดี๋ยวนี้ ไม่มีคนดูทีวีหาค่าโฆษณายากเหลือเกินเพราะเขาไปดูทีวีทางอินเทอร์เน็ตกันหมดเรายังมงมงุมมาหะราจัดรายการทีวีอยู่ไม่มีคนดูเรายังมงมงุมมหะาราไปเช่ารายการสถานีเพื่อออกราดแพงไม่มีคนดู ทีวีจะอยู่ได้ด้วยระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตนี่คือนวัตกรรมเราทำหนังสือพิมพ์ออกมาเนี่ยกองกันเรียใครอ่านบ้างมหาจุฬาแล้วยังจะทำอยู่นั่นแหละเว็บไซต์มีเอาไว้ทำอะไรมีใครอ่านบ้างเพราะเราไม่อิมพรูสไม่พัฒนาเว็บไซต์ไม่พัฒนานังสือ โลกเขาไปไหนต่อไหนแล้วร้านหนังสือในอเมริกาเดืนี้มันขายไม่ได้หนังสือมันเข้าอเมซอนหมดอีบ e ุ๊กหมดขายกาแฟแล้วล่ะเรายังอยู่ในยุคไหนผลิตหนังสือออกมาเนี่ยไม่ปรับปรุงเว็บไซต์มหาจุฬาเสียงเงินทำเว็บไซต์อเอาไว้ทำอะไร พูดวันนี้เนี่ยมันจะต้องไปทั่วโลกโลกเขาไปไหนแล้วนี่คือด้านบริการด้านกระบวนการการผลิตเรียนป ร, ริญญาตรี4ปีได้ความรู้เท่ากับสองปีหรือเปล่าเพราะยังเรียนยังสอนช็อกแอนท็อคเหมือนเดิม แต่เรียนสี่ปีได้ความรู้เหมือน6ปีเพราะค้นในอินเทอร์เน็ตหาความรู้ด้ยวยตนเองไม่ต้องรอมันต่างกันไหมท่านด้านการสอนด้านกระบวนการการผลิตไม่ว่าจะทำอะไรเดี๋ยวนี้มันประหยัดเวลาลดเวลาในการผลิตบัณฑิตไปเรียนปริญญาโทในในอังกฤษปีเดียว แต่ได้ความรู้เท่ากับเรียนที่นี่สองปีได้ภาษาอังกฤษด้วยเพราะเขามีอุปกรณ์มีสื่อมีอินเทอร์เน็ตมีทุกอย่างไม่ต้องงอมือรออาจารย์สอนเลยอาจารย์เป็นแต่เพียงผู้แนะนำภาษาอังกฤษสามารถเรียนได้หมดทำไมอธิการมารีผู้ภาษาอังกฤษได้ดีเป็นสมัยก่อนไม่มีทาง ในสมัยนี้ท่านจะไปเรียนภาษาอังกฤษจากไหนะคอมพิวเตอร์นี่สิมีไว้ทำอะไรกระบวนการลดขั้นตอนท่านมีไหมแม a จเมน n ์บริหารจัดการบริหารจัดการที่อาศัยเทคโนโลยีเรามีวิทยาเขต10แหง่ง11แหง่งมีต่างประเทศมีอะไรต่างๆหมด มีเรียนมีสอนกันทั่วประเทศบริหารจัดการอย่างไรที่จะกระจายความตัดสินใจการควบคุมใช้กระบวนการเรียนการสอนอย่างไรที่ทุกสาขามีคุณภาพเท่ากันอาจารย์ดีๆในส่วนต่างเรียนอย่างไรต่างจังหวัดได้เรียนอย่างนั้นในเกาหลีในสิงคโปร์ได้เรียนเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันมีวัฒนวัตกรรมคือเทคโนโลยีหมดแล้ว แล้วทำไมต้องมาพูดกันว่ามาตรฐานไม่เท่ากันเพราะท่านไม่ใช้นวัตกรรมสี่สิบจังหวัดที่เรามีสาขาเนี่ยถ้าเราใช้นวัตรกรรมในการเรียนการสอนมีวิดีโอออนดีมานมีทุกอย่างอย่างที่อิการมาดีวางระบบ ไ, ไ, ไว้เนี่ยเสียงเงินไปร้อยร้อยล้านเนี่ยป่านนี้พวกเราไม่มีความเหลื่อมลำ้ำจนบัดนี้ยังเหลื่อมล้ำเพราะอะไร เพราะเราไม่เข้า 4.0 ไม่ใช้เทคโนโลยีเรายังอยู่ใน 2.0 ยูงใน 3.0 กันอยู่ฉะนั้นมหาจุฬาเนี่ยแบ่งได้เลยนะท่านทั้งหลาย 1.0 ในยุคราชวิทยาลัยเมื่อร้อยปีมาแล้วที่รัชการที่ห้าทรงสถาปนาเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงใน ยุค 1.0 เนี่ยเราเปิดเรียนเรียนมาแต่บาลีเราไม่เรียนวิชาการสมัยใหม่ปเปลี่ยนชื่อมหาธาตวิทยาลายัยมาเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมันเป็นยุคราชวิทยาลายัยซึ่งเราไม่ได้ขยับขยื่อนทั้งทั้งที่รัชกาลที่หทรงมีนวัตกรรมคือให้เรียนวิชาสมัยใหม่ด้วยแต่เราไม่ได้สอนกัน60ปีอยู่ในยุค 1.0 ต่อมามหาจุลา 2.0 2,490 ที่วัดมหาธาตุเราเรียนบาลีบวกศาสตร์สมัยใหม่ระบบหน่วยกิตเกิดขึ้นเปิดเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเกิดใช้ระบบหน่วยกิต200หน่วยกิตเป็นครั้งแรกในประเทศไทยรัฐ รัฐบาลไม่รับรองปริญญาเราแต่มหาเทรสมาคมรับรองในปี2512เราเรียกยุคตั้งแต่2490จนถึง2527ว่าเป็นยุคมหาวิัลของคณะสงฆ์ปริญญายังเถือนและเราเรียนหนักมากรุ่นนี้เนี่ยนะที่พูดอยู่เนี่ย200หน่วยกิตนะปริญญาตรีหนักมากแต่ได้ผลน้อย เพราะปริญญาไม่รับรองไปเรียนต่อที่ไหนในประเทศไทยไม่ได้ต้องไปเรียนต่างประเทศเพื่อนๆซึ่งหาลาเพศไปเยอะเลยหนักแต่ได้น้อยเรียนเยอะนั่นคือยุคมหาวิเลยสงพอยุคสามศคือยุคปัจจุบันยุคมหาวิเลยของรัฐเราเรียนน้อยได้ปริญญา น้อยลงได้ปริญญาแต่ผลมันก็ยังไม่มากเพราะเราไม่ได้ใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอนอย่างที่ว่ามามาตรฐานก็ไม่เท่ากัน 2,527 เป็นยุครับรองปริญญา 3.0 จากมหาวิทยาลัยสงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐปริญญาได้รับการรับรองปริญญาตรีเท่านั้นนะแต่ไม่รับรองสถานภาพมหาวิทยาลัย รับรองแต่ผลผลิตเราจึงเปิดปริญาร 2, รญาโท2032ปริญญาโทก็เถื่อนอีกเขาไม่รับรองจึงดําเนินการมาจนกระทั่งให้รับรองปริญญาโทและรับรองสถานภาพมหาวิทยาลัยการรับรองเฉพาะปริญญามันทําให้เรียนแล้วถึงรับรองแต่ถ้ารับรองสถานภาพมหาวิทยาลัยคือเป็นมหาวิทยาลัยเต็มของพระรัตเต็มภาภูมิ เราผลิตบัณฑิตระดับไหนไปเขารับรองปริญญาหมดเพราะฉะนั้นปริญญาตรีโทเอกปริญญาทั้งสามนี้เขาจึงรัฐบาลรับรองและทั่วโลกรับรองในปี2540ในยุคนี้เราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเต็มตัวเริ่มมาแต่สองพนี่นี่คือยุค 3.0 ศเรามีวิทยาเขตส1บอแห่งแล้ววิทยาลัย2กสองสบหแห่งห้องเรียนหน่วยบริการไม่ต่ำกว่าสแห่ง มีเครือข่ายทั่วประเทศเป็นยุค 3.0 เรายังสอนกันเหมือนเดิมแต่มหาวิทยาลัยอยู่ไม่ได้อย่างที่จะประคุณประเดชพระคุณ น, นยกสภาบอเราต้องไปโกอินเตอร์มันเป็นยุค 4.0 คืออนาคตยุคมหาจุฬาเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติระดับนานาชาตินั้น กำหนดในปี2150เรากำหนดวิสัยทัศน์ใหม่และปรัชญาใหม่ใช้มาอยู่จนถึงปัจจุบันปรัชญาของหมอจลยุค 4.0 คือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับาศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมเราคิดในปี2550 สิบปีมาแล้วและในปีนั้นเรากำหนดวิสัยทัศน์มหาจุฬาว่าอย่างไรเรากำหนดวิสัยทัศน์มหาจุฬาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนานานาชาติ international เราจัดการศึกษาระดับนานาชาติโดยยึดปรัชญาว่าจัดการศึกษาพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม 4 0เริ่มในปี50 2550ผ่านมา10ปีแล้วเราทำอะไรบ้างเพื่อให้เป็น 4.0 2550ในปีนั้นเองเราประกาศให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลักกลลยเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ secretariat ของ ICDV International Council of the Day of ี e s a k เอวัอธิการบดีเป็นประธานสภาสากลวันวิสาขาบูชาโลกปี50นั่นแหละและในปีนั้นเราได้ตั้ง IABU International Association of Buddhist Universities สมาคมมหาวิทยนาลัยพุทธศาสนาชาติมี80มหาวิทยาลัยที่สอพุศสนาเป็นสมาชิก ประธานคืออธิการบดีสำนักงานของ i อ b u บอยู่ที่มหาจุฬาแล้วจัดประชุมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทั่วโลกสามครั้งปีนี้จัดที่นี่เพิ่งผ่านไปไม่ทักสิบกว่าวันนี้เองสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติขึ้นกับเราหมดนี่คือโกอินเตอร์เราไม่ได้สักแต่พูดเราทำ เราย้ายมหาจุฬาจากวัดมหาธาตุมาอยู่ที่หวังน้อยไหนๆจะโกอินเตอร์เป็นศูนย์กลางเราจะต้องมีที่ของตัวเองแต่ก่อนเนี่ยเวลาต่างประเทศมาถามสำนักงานเช่นอยู่ที่ไหนก็ตึกมหาจุฬาแล้วหอประชุมอยู่ที่ไหนโบสถ์วัดมหาธาตุหอพักนิสิตอยู่ไหนทุกคณะนี่แหละเมาเอาน่ะ แต่วันนี้เราไม่ได้มาหลอกใครแล้วเราหอประชุมอยู่นี่สำนักงานที่การบริยูนุ่นมีที่กว่า300รอยไร่ย้ายมาอยู่ในปี2 5ง1อยยุค50ปีห0เป็นต้นมาเรียกว่ายุค 4.0 ศเรามีสาขามีทรัพย์สินรวมกันหลายพันล้านบาทในปี2 5 1 1เราซื้อที่ตรงนี้ 80ไร่ร้อยล้านบาทรัฐบาลไม่ให้สักบาทเดียวเรียกอะไรกันครับตอนนี้ก็ยังเป็นนี้อยู่สร้าง IBSC International Buddhist College วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติเราเริ่มสร้างมาแล้วท่านเห็นหอพักอาคารเรียนหอสมุด ต, ตั้งสำนักงานตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า IBSC วิทยาลัยพัฒนาชาติในปี 2,556 ปรากฏว่าเราสร้างตึกมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันขัดข้องทางเทคนิคเข้าไปอยู่ไม่ได้เพิ่งเจรจายุติในด้านกฎหมายเข้าไปใช้ได้และทำพิธีเปิดในวันวิสาขาบูชาปี60ที่นายกสภามาเปิดพร้อมกับชาวโลกเราเข้าสู่ยุคอินเตอร์เนชั่นล การศึกษานานาชาติเต็มตัวสมบูรณ์แบบ 4.0 ปี 2,556 ICDV สภาสากลวิสาขาบูชาโลกเป็นอะไรเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของสหประชาชาติ Economic and Social uh, Economic and Social Council of the United Nations คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสาธปรณชาติให้เราเนี่ยเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษอธิการบดีเนี่ยสามารถเดินเข้าออกสาธารณชาติเมื่อไรก็ได้ไปไประชุมแต่ไม่มีใครไปด้วยอธิการมีเวลาที่ไหนทำให้ทุกอย่าง แต่ยังไม่มีใครเดินตามสองพันห้าร้ยหกสิบปีนี้เราพิมพ์ CBT Common Buddhist Text ที่ว่าเนี่ยแถลงข่าวออกมานี่นะท่านดูผู้สื่อข่าวแถลงข่าวออกมานเนี่ CBT เนี่ยพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งพระใจไปดกฉบับสากล ไปจัดวิสาขาบูชาโลกที่สีลังกาในฐานะประธานเขาให้ขึ้นพูดก่อนประธานาธิบดีสีลังกาและก่อนนายยุทตรีของอินเดียด้วยซ้ำไในฐานะเป็นประธานไอซีดีวเขาให้เกียรติมากก่อนพระสังฆราชก่อนประธานาธิบดีทั้งหมดนายยุทธวีอินเดียโมดีก็มาพูดต่อในเวทีเดียวกันได้ถวายพระตไตรปิฎกสากลแด่พระสังฆราช ัมพูชาในที่สงินลังากามอบพระไตรปิฎก CBT แก่ประธานาธิบดีสีลังกาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยคือนวัตกรรมทั้งสิ้นเราไม่สามารถจะเข้ามาสู่ยุค4จได้เลยถ้าท่านไม่ใช้เทคโนโลยีไม่ใช้นวัตกรรม ไม่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยท่านไม่มีทางที่จะพามหาจุฬาโกอินเตอร์อย่างที่เริ่มไว้ 4.0 ท่านก็อยู่ในยุค 3.0 เช้าชามเย็นชามเราขอให้ท่านสอนผ่านไ อ, ไอทีไปทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษถ้าท่านไม่ทำเราก็อยู่ 3.0 ประเทศไทยถ้าไม่ทำมันก็อยู่ 3.0 ชั่วอายุเราก็ไม่ทันเห็น 4.0 บัณฑิตใหม่ทั้งหลายถ้าท่านมีนวัตกรรมท่านสร้างอนาคตอยากจะเล่าส่วนตัวให้ฟังจบปริญญาเอกมาจากมหาวิทยาลัยเดลีถามอาจารย์ทั้งหลายควรจะทำงานที่ไหน ในคณะสงฆ์อาจารย์ก็บอกว่ามีความรู้ดีอย่างนี้ประโยชเก้าด็อกเตอร์นี้ทำอยู่ในคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะเป็นเลขาภาคเป็นอะไรต่างไม่พอหรอกท่านต้องมาทำงานที่มหาจุฬามหาจุฬามาสำหรับผู้มีความรู้ก็มาทำที่นี่พอเข้ามาทำที่นี่มันมีเจ้าที่หมดแล้วท่านเข้าไม่ได้ อยากจะสอนเขาก็ไม่ให้ในคณะพุทธศาสตร์เราจบด้านประยุกต์เาไม่ให้จึงต้องไปเป็นผู้ในการกองวิชาการมีโต๊ะอยู่ตัวเดียวลูกน้องก็ไม่มีมีเครื่องพิมพ์ดีดก็ไม่มีเขาให้กองวิชาการไม่ไม่มีไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีลูกน้องไม่มีอะไรเป็นหัวหน้าอยู่คนเดียวมีเกียรติสูงส่ง จบด็อกเตอร์มาได้เงินเดือน800ร้อบาทคณะพุทธเขามีคณะบดีมีเลขามีต่างๆเข้าไม่ได้ท่านรอเมื่อไหร่กว่าจะได้เข้าไปเป็นเลขาคณะขึ้นรองคณะบดีเป็นคณะบดีกว่าพวกนั้นจะมรณภาพไม่ได้เป็นท่านเพราะฉะนั้นจึงทำนวตกรรมอย่างหนึ่ง รอเขาเราไม่ได้เป็นหรอกท่านรอเดินไปหาเนี่ยเขาไม่ให้เราต้องสร้างสร้างอะไรรู้ไหมสร้างหลักสูตรปริญญาโทขึ้นในฐานะผ อ, อ, อกองวิชาการเนี่ยรวมผู้เชี่ยวชาญมาทำหลักสูตรปริญญาโทมหาจุลาสาขาพิทยาศาสตรกับสาขารัทยาถามว่าทำไมมหาจุลาไม่เคยมีหลักสูตรเลย เขาไม่รับรองเอาแล้วงั้นขอทำทำเสร็จแล้วจะเปิดเรียนได้ยังไงเขาบอกต้องตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสภาก็ตั้งมัณฑิตวิทยาลัยตั้งเสร็จนึกว่าจะให้เราทำเปล่าเขาไปยกให้คณะพุทธศาสตร์ทำเอาไปหมดเลยหนึ่งปีไม่ได้ทําอะไรเลยออก เลยออกไปเทศข้างนอกแก้กลุ่มดังไปเลยตอนนั้นเนี่ยเพราะไอ้ เ, เทศแก้กลุ่มเนี่ยเขาไม่ให้เราทำข้างในเราไปทำข้างนอกก็ไปเทศหาแนวร่วมอยู่พอคณะพุทธทำไม่ได้เขาก็บอกพอออกกองวิชาการเนี่ยเป็นคณะบดีดีกว่าเป็นคณะบดีผลิตวิทยาลัยดูสิสังปีได้เป็นคณะบดีเพราะอะไร เราสร้างขึ้นมาไม่มีทั้งรองไม่มีทั้งอาจารย์ไม่มีอะไรมีแต่คณะบดีคนเดียวสำนักงานก็ไม่มีเดินเกรยเกรเกรยเกรไปถามอธิการบดีพระราชนตนโมรีบอกว่าจะให้เปิดรับนิสิตไหมครับไม่ได้ไม่มีเงินเอาแล้วเป็นคณะบดีได้ไงอ้เขาอะอาจารย์ก็ไม่มีสักตาแหน่งเดียวลูกน้องก็ไม่มีรองก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี เป็นเจ้าเหมือนกับอะไรล่ะสารพ่อภูมิในช่วงที่ไปเทศนี่แหละจึงไปเทศอเมริกาได้เงินมาสองแสนบาทในสมัยเมื่อสามสิบกว่าปีบอกว่าจะเอาไปเทศสอนพระไทยเรียนปญาโทให้พูดภาษาอังกฤษเก่งเมื่ออธตามานี่แหละคนไทยเชื่อ นึกว่าเราจะผลิตคนผู้ภาสาอังกฤเป็นไฟแลบเหมือนกันจนบัดนี้ยังไม่ได้เลยเขาก็ให้เงินมาสองแสนเอามาถามอธิการบดีสมัยนั้นผมมีเงินสองแสนจะามาเปิดปริญาโทถ้าพระเดชพระคุณแม่นาญาตผมจะไปถวายวัดประยูนอธิการบดีเอาสิเอาสิเอาที่นี่แหละต้องหาเงินเองนะท่านนะเจิงได้เปิดปริญาโท มันยากเย็นขนาดไหนกว่าจะเป็นคณะบดีเพราะเปิดปริญาโทรได้นะท่านต้องขอบคุณรุ่นแรกเรารับแค่สามสิบมาสมัครกันเป็นร้อย ท, ทั้งทั้งที่ไม่รับรองสัมภาษณ์เองปรัชญาครึ่งหนึ่งสิบห้าพุทธศาสนาสิบห้าถามพระผู้ใหญ่มีเจ้าคุณมาเรียนด้วยทำไมมาสมัครกันนะ่ะปกติเจ้าคุณเขาไม่มาเรียนนะ่ะ ผมมาเนี่ยเพราะอยากจะเทศเก่งเหมือนท่นานคณะบดีโอ้เขาชมเราเลยและรับเลยนะองคนี้เรียนห้าปีจบตอนนี้เป็นรองสมเด็จเป็นเจ้าคณภาคได้ดีเพราะมหาจุฬาดีแหละปรากฏว่าเป็นคณะบดีบริหารบดีวิัลประสบความสำเด็จมากเขาก็เลยแถมให้อีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นรองฝ่ายวางแผนควบกันเลยทีนี้ใช้หนักเลยทีนี้มหาจุฬาไม่เคยมีแผนมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกทำแผนห้าปีให้พอทำแผนห้าปีเสร็จเขาไม่รับรองเราขอทำแผนขอเงินเป็นร้อยล้านให้มาสองล้านแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เงินต้องให้มีสถานภาพตามกฎหมาย ถ้าไปทำพบรบมหาจุฬาอยู่หมดนายกไปสามคนนวัตกรรมสําคัญคือพอบอรบปี40ที่เป็นหัวหอกในการวิ่งเต้นอยู่ชี้แจงตั้งแต่ยันกรรมธิการทั้งหมดพอทาพบรบทั้งหมดเขาบอกโอ้ท่านรู้เรื่องพอบอรบดีเหลือเกินเป็นอธิการก็แล้วน เป็นมาจนบัดนี้วางระบบให้หมดแล้วโกอินเตอร์แล้วซีจสูแล้วเหลือแต่พวกท่านทำต่อเท่านั้นเองก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้บันฑิตใหม่ทุกระดับ จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าประสงค์จำนงหมายสิ่งใดก็ให้พันสมเร็จสมโมโนรถมุ่งมา่ปราถนาทุก ป, ประการเทือน